นเหตุสเสหตุกะทุกะเจ็ดปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระอารมณะปัจัจร้อยเจ็ดสิบหกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น พิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วพิจารณาฌานพระอริยออกจากมากแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุจึงเกิดขึ้น โดยเป็นตทารมบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุด้วยเจโตปริยายานอากาสานาัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณนะัา ญ, ญ, ญญาตนะอากินัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานานสัญ ญ, ญายตนะขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยายานภูเพนิวาสานุสติยานยะากรรมูปักขยาน และอนาคตังจยานโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารบขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัตจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบาก ซึงไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตาทารมเพราะปรารบขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุขันที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นร้อสบภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่นิพานเป็นปัจจัยแก่อวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุ ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณ์จึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทาอารูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณผูถัพายตนะเป็นปัจจัยแก่ฟ้ายะวิญญาณโดยอรหันต์ปัจจัยเพราะปราบรกขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้น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 จิตุบาที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารม์บุคคลเห็นรูปด้วยที่ปจักผุฟังเสียงด้วยที่ประโสตทาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณและอนาคตังสยานโดยอรมณะปัจจัย เพราะปรารบขันที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัยร้อยสิบปสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอาิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณาธิิติและสหาชาตาธิปติอรมนารถปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้ว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 อธิปด e, ีธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยที่ปฏิปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมนาทิปติได้แก่พระอริยะพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวท า, านมรรคและผลโดยทิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุขันที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทาความยินดีเพลิดเพลินจากาสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยร้อเจ็ดสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูเนวสัญญาณสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัตโดยอนันตรปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่จุติจิตที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอนันตรัปปจัยภวังคจิตที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตพวังคจิตที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่พวังคจิตที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุคันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่วุทฐานะที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอนันตรปัจจัยได้แก่คันที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเกิดก่อน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 เป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยขันที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่วุฒธานะที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเป็นต้นร้อยแปสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยสมนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัย ในปัจจัยนี้ไม่มีฆาตนามีเจ็ดวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญะปัจจัยมีหกวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยะปัจจัยปวัติการและปฏิสนธิการมีเจ็ดวาระในปัจจัยนี้ไม่มีฆัตนาอุปนิสยาปจัยร้อยแปดสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอุปนิสยาป จ, จปัยจมีสามอย่าง คืออารมณูปะนิสยะอนันตารูปะนิสยและปะกะตูปะนิสยะปะกะตูปะนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานมีมานะเถือทิฐิอาศัยศีลความปรารถนาแล้วให้ทานทำลายสงศ์ศรัทธาความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาความปรารถนามรรคและพรรสมาบดโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอุปาินสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปานิสยะและปะการูปนิสยาปะการูปนิสยาได้แก่ศรัทธาเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกทางกายโดยอุปาินสยาปัจจัยศีลความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกทางกายโดยอุปาินสยาปัจจัยศรัทธาความปรารถนา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 ทุกทางกายอูตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกทางกายโดยอุปาินสยปัจจัยสุขทางกายทุกทางกายอูตุโภชนะเศนาสนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายและทุกทางกายโดยอุปาินสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอุปาเนสยปาจัยมีสามอย่าง คืออารามณูปะนิสียะอนันตารูปนิสียะและปะกะตูปะนิสียะปะกะตูปนิสียะได้แก่บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทานทำลายสง์อาศัยทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานทำลายสง์สุขทางกายเสนาชนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาความปรารถนามรรคและภารสมาบดโดยอุ ป, ปนิสยาปัจจัย ปูเรชาตปัจัยร้ยแปดสบสาสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยปูเรชาตปัจัยมีสองอย่างคืออารมณะปูเรชาตะและวัตถุปูเรชาตะอารมณปูเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุภาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงทุมนัจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้ว จิตุบาที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารม์รูปายตนะเป็นป ouais ัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยโพธปลายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จาคายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุภาทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณ์จึงเกิดขึ้น เมื่อกุศลและอกุศสดับแล้วจิตุบาที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุวัตถุปุเรชาตะได้แก่มาไทวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยปุเรชาตะปัจจัยปัชชาชาตปัจจัยร้อยแปดบสีสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ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 เป็นปัจจัยแก่ไลนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยอาเสวนปัจจัยร้อยแปดสห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ โดยอาศวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่ม no no no ีเหตุซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเกิดหลังหลโดยอาศิวนปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มักววทานเป็นปัจจัยแก่มักโดยอาสิวนาปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอาศัวณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเกิดส่วนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเกิดหลังๆโดยอาศัวณปัจจัยกรรมปัจจัยร้อยแปสหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่าง คือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที oh y, ่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดย k a r m ปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดย k a r m ปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแฉะขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ และกะตะตารูปโดยกรมมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตยตะขันและจิตตสมตุฐานรูปโดยกรมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะ นานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแข่งขันที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและกตัถารูปโดยคำว่าปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยคำว่าปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุฐานรูปโดยกรรมะปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกตะตารูปโดยก ร, รมมปัจจัยวิปากะปัจจัยร้อยปสิบเจดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยวิปากะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ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 อาหารที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมบุญตะขันและจิตตะสมุทารูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะเกลิงกระหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัยอินทรีย์ปัจจัยร้อแปสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอินทริยปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอินทริยะปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุฐานรูปโดยอินทริยะปัจจัยในปฏิสนธิขณะรูปปัจชิวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอินทรียปัจจัยชานะปัจจัยเป็นต้นร้อยเก้าสิบ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยชานะปัจจัยพึงเพิ่มแม้ทั้งส謝謝ีวาระเป็นปัจจัยโดยมัคราปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยร้อย้าสิบอสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยสัมปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่ขันสามในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยสัมปยุตตปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันสามในปฏิสนธิขณะวิปยุตตะปัจจัยร้อเก้าสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ โดยวิบยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุธานรูปโดยวิบยุตตะปัใจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่กายนิเที่เกิดก่อนโดยวิบยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยวิบยุตตะปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทนานรูปโดยวิบยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิบยุตะปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิบยุตตะปัจจัย ปูเรชาตะได้แก่จักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายญายตนะเป็นปัจจัยแก่กายาวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยวิบยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แกข่ขันที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิบยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาติได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยวิปยุตปัจจัยอธิปัจจัย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 คือสหาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหารและอินทริยะสหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปโดยอธิปัจจัยพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัตยพรมปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมัสจึงเกิดขึ้น เมือ่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารม์รูปายตนะเป็นปัจจัยแข่จากขรวิญญาณโภทะพายตนะเป็นปัจจัยแข่กายวิญญาณจากขายตนะกายายตนะพาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอธิปัจจัยปัจชาชาตะได้ แ, แก่ขันที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ เป็นปัจจัยแขกายนี้ที่เกิดก่อนเกาลิงกราหานเป็นปัจจัยแ่กายนี้รูปปัจชีวิตินสีเป็นปัจจัยแขกตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนทิขณะหาทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอธิปัจจัยบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุภาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมิัะจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุบา ท, ที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมณ์บุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสธทาตวัตถุบุเรชาตะได้แก่ หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอธิปัจจัยร้อยเก้าสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสาม ในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและมหาภูตรูป เป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและโกรรึงกระหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและรูปชีวิตตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอธิปัจจัยหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระ สุทนัยร้ออารมณะปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอานันตระปัจจัยมีสี่วาระสมานันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาติปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระ อาเศวนาปัจใจมีสองวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระวิบากปัจใจมีสี่วาระอาหารปัจใจมีสี่วาระอินทรียปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมัคคะปัจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจใจมีสองวาระวิปยุตตปัจัยมีสามวาระอัติปัจใจมีเจดวาระนัตติปัจใจมีสี่วาระ วิคตาปัจใจมีสี่วาระอวิคตาปัจใจมีเจ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจนายุทธาระร้อเกสหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอารมณปัจัยสหชาติปัจัยอุปนิสัยปัจใจและกรรมปัจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เป็นปัจจ well. so, ัยแก่สภาวธรรมที an law, ่ไม so, so, ่เ so, ป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิสิกปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุโดยสหชาตปัจจัยและกรรมปัจจัย้อเก้าสบเจดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ เป็นปัจจ right ัยแก่สภาวธรรมที Alright, ่ไม well ่เ <anom> ป <Erfahrung>. ็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอารมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย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 ปัจยปัจญญาสอสังคยาวาระสุทนายร้อยเก้ากนเหตุปัจัยมีเจดวาระนอารมณะปัจัยมีเจดวาระย่อทุกปัจัยมีปัจัยละเจดวาระนสหชาตปัจัยมีหกวาระนอัญญมัญญะปัจัยมีหกวาระนนิสยปัจัยมีหกวาระทุกปัจัยมีปัจัยละเจดวาระ ณสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนอัติปัจจัยมีห้าวาระโนนัติปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยะจกสปัจจญานุโลมปัจจ尼ยะมารมณทุ ก, กนัยสองร้อย นาเหตุปัจจัยกับอารมณปัจใจมีสี่วาระนาอธิปติปัจจัยมี่วาระนาอนันตรปัจจัยกับอารมณปัจจัยมี่วาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสีวาระโนนัติปจัจใจมีสี่วาระโนวิคตปะปัจจัยมี่วาระโนอวิคตปะปัจจัยมี่วาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญจิยะจบสี่ ปั จ, จยปัจญจิญานุโลมนเหตุทุกข์ในสองยหนึ่งอารมณปัจจใจคำนเหตุปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจใจมีสี่วาระอวิคตาปัจจัยมีเ จ, จ็ดวาระปัจจญานุโลมจบนเหตุเสเหตุทุกข์ทุกขะจบเหตุโคจกะจบ ตราทุกกะเจ็ 7. สัพปัจญาทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งถึงสปัจจญานุโลมเป็นต้นหนึ่งสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะ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 มวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอนุโลมจบสสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัญสัตตพรม โมหะที่สหาโลโคด้วยวิจิกริชฌาและที่สหรโลโด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สาหาโลคด้วยวิจิกริชฌาและที่สาหาโลโด้วยอุทจจะเกิดขึ้นย่อสนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนณทิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจญียะจบห้าณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ หนอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอนุโลมปัจญิยะจบหอารมณะปัจจัยกับหน้าเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอานันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตะปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจญิยานุโลมจบสหชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเจ็ดจับปัจญญาทุกละ สปัจยวาระหนึ่งปัจจยานุโลมหนึ่งวิพังขวาระ7สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งทำสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตาสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นธรรมหาภูตรูปหนึ่งขันธ์ที่มีปัจจัยปรุงแต่งธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งธรรมสภาวะธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณะปัจจัยย่อพึงขยายปัจยาวาระนิจยวาระสังสทาวาระและสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาอย่างนี้ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระเท่านั้น 7. ส็ดซปัจจญาทุกละ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัย 8. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแห่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทานรูป โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัยเก้ 9. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผล พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไัยวัตถุขันธ์ที่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักขุฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้พรอมด้วยจิตที่มีปัจจัยปรุงแต่งด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญญ า, นาตนะ เป็นปัจจัยแข่วิญญาณัญจายตนะอาคินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแขกเนวสัญญาณาสัญญายตนะรูปายตนะเป็นปัจจัยแข่จักขวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแข่กา ย, ยวิญญาณขันธ์ที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแข่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปะขยานอนาคตังสยานและอวชนะจิต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 โดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาทิปติและจหชาตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมวิดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามากให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น บุคคลยินดีเพล่อเพลินจากสุขาไทยวัตถุขันที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแข่สัมปยุตตะขันและจิตจสมุทานรุรูโดยอธิปติปัจัย สภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยทีป่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมณนาธิปฏิได้แก่พระอริยะพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูววทานมรรคและผลโดยอธิปฏิปฏัจจัยอนันตระปัจจัยเป็นต้นสิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอุปาณิสยปัจจัยบทที่มีอุปาณิสยปัจจัยเป็นมมลมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระเท่านั้น 1. ปัจจญานุโลม 2. สังคยาวาระสุทไนัยสอง เทถุปัจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปริญสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ อวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระสิบสาสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิสยปัจจัยภูเรชาตปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารมณปัจจัยและอุปาณิสยาปัจจัย 2. ปัจจยะปัจจานิยะ 2. ส, สังขยาวาระ 1. 4น่เหตุปัจจัยมีสองวาระนาอานอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยมีสองวาระนอนันตรปัจจัยมีสองวาระน่สมนันตระปัจจัยมีสองวาระ นาอุปาณิสยปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยมีสองวาระโนอวิคตะปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเฮตุทุกกนสิบห้านาอรมะณะปัจใจกับเฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมณันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญามัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปาณิสิกปัจจัยขเภสโตปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนาติปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคัตะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจ尼ยะจบสี่ ปัจยปัจญิยานุโลมนเหตุทุกขในสิบหกอารมณะปัจจัยคำนเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอานันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระบุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญิยานุโลมจบสับปัจจยะทุกขะจบ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 อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นพึงนับทุกกะนี้ให้เหมือนกับสับปัจยะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสังคตะทุกกะจบ